โปรดไม่รัททุกคนไม่ร <c oughs> ับทานเมื่อเดท่านทุกคนทุกท่านรังมืกลังทาธรรมะวันพนะนทุกห้า่เดียนแปาเแล้วเป็นวันที่ละแวงหาพระคือธรรมะเม่วาง ใ, ใจทั้งยาวพื่เป็นการปฏิบัติธรรมแวงุกคน สั้งใจช่างความดีให้จา ก, กนตนสั้งใจหาที่เพึ่งสือธรรมะประจําจิตประจําใจทั้งตนสุดมงหมายต้องการใช้ธรรมะอ น, นั่นมาสอนตงสอนตัวเองอย่างนั้นจึงมีประโยชน์มากหรือเกินทัางสากุที่ทนที่ร้างทั้งหลายวันธรรมศโทนะเป็นวันฟังธรรม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 ทำลาจึงวิทยามีผลชีวิตได้เขามาฉวงบุญเข่าน้ำไม่เคแฉวงความดีในธรรมะแลยให้คงไปลดทพื่อทำเพื่อไปหาพระเถือนที่ข้ามว่าฉวงบุญแต่กลับมาแล้วมีแต่ความทุกข์สามีภรรยาให้มีความสุขโลกเถื่อนพอเถื่อนแน่ตามมาอ้อละลูกในทุกทาง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 จุนหลวงแม่คือผูกมิ้มาเตรียานคือพระหลังมาจงหดจับกาลังุนได้แล้วก็เอามาพูดคือแม่คือพรหลังมาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วแตแงหาจะทำน่ะไม่ใช่เบื่อชีแยงบึงคือมาทือก็ไเบือกะลาบปากิดจากชีเนี่ยมาเอาหนื่ยป้าหลวงแม่เอเกินท่านลูกมีปัญญาโปรดคิดได้ไหม มาว er pues right. e ัดให้บุญเพื่อทั้งนอ้นน่าจะสว่งธรรมะเหมือนฉลงมบะถ้าเราบือตรงนี้บวชเอาบุญนะทนบวกไม่ได้สร้างกุศลแต่บวชไม่ได้ผลงานบวกินละกันนอนได้บุญมากวาดวัดทำสุจรัดเป็นามันจะเป็นบาเลยกินละกันอนให้ได้บุญมากๆแล้วประดุจป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 ไนเช้ามาปมุดเลยอยกไปไหนไปช่างภาพวัดไปสแหวนบุญแต่ลวมืไหเหัถามมาพ่าได้สะวนว่าฉันไ้ถามมือตีในทุวันเขละแต่เราก็อยากจะถามโยมย้ไปว่าไปหามาปานวัดแล้วดูเถอยังถละอันนะก็ยังถละอันอีกไม่ลดบุญเสียใจด้วยกับขอหวบุญที่ไม่สูกทางมาอันเยอะนะอยากได้บุญ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 ความตกที่ธรรมะเราจะทำละำใจทําใจให้เป็นปกติทําใจให้สงบทําใจให้สบายปัญญาเปิดนั่นคือตัวอธรรมะถ้ายอ ม, มให้ศสนใจไม่พบธรรมะจิตใจมันจะลางลายไปสู่ที่เร้าตอลอดเลยการมืหรือตัวบุญตรงไหนความตกตรงไหนล่ะไปเปที่ยกันเพื่อเลยทัื่อประเทศไปหาถ้าวตือพดีตั้งนอน ทั้งพ่อทะ้งม่ทั้งลูกก็ที่น้่นและคณะปฏิปันนี้ที่รักหนแล้ว็จะเอาบุญมาเชื่อโยงอาชง้อโปรดฟังฝรั่งมหาธรรมะคนไทยมหาบุตรจับเลยเข้าใจคำนี้ไ้ยอาชง้อเข้าใจไหมคะเข้าใจจำเลยจับแล้วกนคนไทยแช่บุญฝรังแช่ธรรมะธมะมหาบุญป่าชิโตกลับไปบ้านทะเลเอาเสือเมีย ตรงนี้นี่มากป็นเพื่อนสายที่เดียดนี้ลทิพย์นาเนี่ยไอ้เวือเราตรงนี้ใครเอของประตูปัญญาเราไม่อยู่จะไปแสดงพระธรรมเทศนาเจคุณธรรมเทศาอาจารย์ใหญ่มาธาใบไม้น้าภาคอายุหกปีจะไปคลายความหลังเมื่อท่านเป็นมหาเถรเชื้อเลื่อนธรรมบุตรยวายอุทิศให้ันตายของข่ามวันจ่น และคนนี้คณะว่าจะิดถ้าใครบิดูบีู้่ทะโลกอยากให้ใคดมาถวายมาคณะสามสิบคนจดเครื่องประหลัดอยูคณะสองอยากให้เอาบุญกันนะบวชก็เอาบุญกันมาตั้เบยห้าาสุดลักบวเอาบุญนีมาวางไว้เ่ะโยนหลวง่อจะเอาอยู่เอาบุญเค่หน่อยมาบวชแค่เจ็วันแล้วก็ให้ยังอยู่นั่นทาอะไรนะจะเอาบุญใมากบุญสา้อตูกว่าใครบ้านด่าอะไรมีหรือบวชเอาบุญ มือจะถว่าไม่ใช่มืบวอาบุญไม่ใช่เข้าวัดทำมะขอฝากกวได้นะเอาไปช่ดกันช่ดยกันมาว่าตอนอสอนเอาให้ทำมัธให้มือลูกเป็นคนรูทำมัธละวาโลกไปพิถีสอนลูกให้ลกขึ้นตระเวนได้นี่คือธรรมะเราเป็นพ่อทำไงสอนลกให้ลูกขึ้นตระเวได้เราเป็นแม่ทำสอนลูกทำไงสอนตระเวได้ ตนหงษ์ต้นขาวก็ได้ในมือเชื่อใจได้รับผิดชอบไปงนี่ถือธรรมะไม่ใช่ไปตลอดตลอดไอ้ชื่อวัดทอักมอบุมาเยอะแล้วมันนั่ขลันะไอ้ือสร้างพระประธานลงทุนสามแสนมือลงทุนกหมืนสวยกว่าพระสงสามมื่พระยาพระตกท่าเลยสั่าแต่ของมืท่ากายมันตายใช่เลยเขาให้สุดทุกอะไรเลยเดี๋ยวนี้อายุเกิดสิบกวายังไม่ได้น้อยในการเล้ยง ข้าพระราอบุญนีเหลยค่ะพระรคานอบุญบุญอยู่ตรงนั้นเหรอทะเลาะกันไม่ได้นอนด้วยกันเดีวเหนื่อนีมือกับความทุกข์แม่หรือบุญอันถุกต้อข้าทะเลาะแค่ถามมือกับภรรยาคู่นั้นไม่มีธรรมะเลยแม่กับข้อเดียวเนี่ยจีนเี่ยแมบวชอบุญกันมีมายเนี่บไม่รับเดือเจ็ดมันาสก็ต้องอยู่วัดหลายวันเราจะได้อะไรอบุญหน่ก็ล้กันหลวพ่อครับว่าสงพ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 เงาหรือทำบุญเปนตัวอนที่ไปทบุญเดยที่นาที่บานเลียเติมพ่อจาประคุณเลยม่จะระคุณเหนนาวันนี้มากที่สวงบุญแต่เสียใจด้วยนาจะหาธรรมะที่ตัวเองให้ลูกเป็นใหญ่เป็นโตสอนลูกให้รวยสวยเพงก็ได้เร่อเปานาเป็นใหญ่เป็นโตไม่สนใจเอาลูกมาบวชให้อยู่เฉยเฉยแล้วเป็นบุญ ยม อ, อยู่เฉยๆจะมีบ้านอยู่ไหมทำไมปลูกไม่ช่ธรรมะเระยกว่าสร้างฐานะธรรมะเระละวาสร้างสัรธรรมะเระยกว่ัดสรรธรรมะรียกว่าสร้างตัวสร้างตอนสร้างก็ควรให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นธรรมะแห่งธรรมะตรงนี้มีความสาคัญ น, นิดหนึงนะ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 จะไม่ม so ือเอวาดได้แล้วอาตมาเหนื่อยยากไม่ไช่ว่าย้องก่อบไปจังหวัดการแขนจะเหือยลังเมก็ไม่บนกลับมาจะมาสอนทานักเรียเข้ามาเป็นลอยๆเห็นไหมครับเข้ามากันมากมายอาตมาบวชหน้าตาบวดหน้ามาวนเนี่ยคมไม่เจอบวชเอาโดนตาบวชช่างเลยทีเดวบวางตัวช้างตัวให้บุญตัวชความศพแนละ จะได้เป like. so ็นใหญ่เป็นโตในวกาฏิหาริย์โยมไม่ชอบไม่เป็นไรไปฉลองดุญกันต่อไปลูกไม่ต้องทำอะไรนะบวดแลยดูเฉยบวชจะเป็นบาปบวชจะไม่ไ้บุอย่างนี้ก็แย่เลยที่มือบวชเอาบุนกันมีอหลายจะแพ่ไม่ต้องทำอะไรตัวนี้ก็นอนบุญสมคุนแล้ประโยชน์ต่อไปนี้จะความท้อมือจะอดแห่งกรมหายอย่างนะ้ให้นักปัดหลังไป้สุกดา แล้วที่ตกมือเป็นบุญเป็นตัวาเปนเบื่อเป็นเช่นมือนะถ้าเป็นลลกยอมสะพานใจนะบวชอาบุญเถอะจะเบื่อวัดไหนก็ได้โลกแล้วไม่ต้องทอะไรเป็นบาปบว่อได้นอนนะคุณนะสงแา่จะส่งคำลักไม่ต้องสร้างคือจะวัดไม่จะสร้างธรรมะไม่จงเขวยหามธรรมะมือจะเพริ้ลลักเอาศึกที่จะเมินออกมาได้อย่างนี้ทั้งนั้นมัก่ายมักมายเรียงบุญ ฮะคนจะโยชน์ประ จ, จําชีวิตประจําสุดประจําใจประจําครอบครัวไม่ได้เลยเลยเป็นบ้านอาภโมคณรับรอ ง, อรองบ้านนั้นไม่มีผูชนบ้านนั้นไม่ต้นใหญ่ต้นโตถ้ารับราชะการหรือแม้จะโดนขอขวัญอยู่เสมอแต่เป็นมกักที่รับจุดการฆ้าจํะไม่สำเร็จชีวิตของแต่เป็นพ้าท้าแม่ขายจะไม่ได้กําไรตามที่สุดเคยของแต่นม้จะพาขายได้เงินได้ทองมากมายขายของจะเปิดให้อยู่ มันก็ร้าไหลไปไหลรูออกไปไหลจะถามพี่ยัเงินพอเกิไโยไม่หรือตั้บุนไปเกอนตรงนั้นมาโยนไปที่นทั้งหลายเลยมาถึงขลุกเจอก็หลามเยอะมาขยายหาจะธรรมะจะขนไทยเท่าวัดขยายบุญตามกันเยอะเลยไม่มีธรรมะจะเกิดบุญได้อย่างไรไม่มีความรู้ คือรู้จิตใจไม่เป็นปราดไม่เป็นนักปราดมาเป็นกุลิเอดวิชาเอตก็ไม่มือมือจาวิชาจากพระาไม่ได้ชอบอะไรเลยะแล้วทำทั้งหลายเอตจะเป็นใหญ่เป็นโตลูกท่าจะดูได้ไหมนี่นะอดแทนตามพี่น้องเอตขอฝากไว้กับผู้พ่อเดียววันนี้ตามมือจะวิชายการคิดมามือสามมือต้องเป็นของเขาหมดมือทรรยาต้งมือชู้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 ไม่ยู้อะไรเลยก็ไม่แสวงหาธรรมะกำหนดจุดก็เหม่อตมาทั้งคู่เสมอมาคนแสวงหาธรรมะให้จำมีอย่างนี้ไอ้คน่็ไปแสวงบูรณาจุดวิปัสสนาขอบจุดมาขอบ่าขอบจุดเท็จขอเติดยขอบคายาเพื่อเลิคนที่มีธรรมะงานจะให้สงบเยือจิตใจจะทาอะไรก็ใจกลองจะทาอะไรก็ทานองทำ ไมื่าตืดควบคุมจิตไว้ได้นั่นคือเสถียรธรรมะธรรมะแปลว่าศูนย์ธรรมะปัญญาเฉลเป็นธรรมะพอละลองมอเร ah ียกว่าธรรมก็ยังไม่เป็นธรรมะถ้าปฏิบัติทำได้สายชะละอะลงไปเลยเรียกว่าธรรมะแปลว่าจับรูปแบบได้แล้วแปลว่าทำจิตเป็นกุศลได้แล้วแปลว่าทำความศักิคือบุญนั่งได้แล้วก็เปิดว่าจาหาในบรรดาลูกจะเปใหญ่เป็นโะ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 ล้วพูดมาปากคนนั่งว่าัวนี้ปากดุยไปดุยมาตาก็ะเหลียกไปกระเหลียบมาพรอนคนนั่งพรอตัวนี้ถามเอาหูบ่าคนนั่งหูโผล่เอาจมูกยันยึดเอาตาไปครอนข้าอย่างนี้ท่านหรือไม่ธรรมะถ้าท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมจริงๆได้ธรรมะแล้วนี่มาปฏิบัติธรรมนะถ้าได้ธรรมะแล้ว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 มานั premises, ่งกรรมฐานตื the the ่นวันเสือจะเล่สิงเล่าถามกรรมนาเป็นปัญหาที่โลกไรนี่หรืออวชาถ้าแยงตัวหญิงหนีธรรมะจึงแหวนหาธรรมะเหมือนฝรั่งแล้วแหวนมีโกโปรเขามาไม่แหวนบุญแล้วเขาแหวงธรรมะเดี๋ยวนี้เขามีความตกคือบุญแล้วถ้าคนไหนขาดธรรมะคนนั้นไม่มีบุญวาฒนาแล้จะมาหาบุญบุญช่วย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 หนูรืยๆตอนหนูจะมาสร้างอาหานให้เสีใจด้ว่ยทไม่เชื่อหรอก็ตเองเชื่อตัวอไม่ได้น่าจะแสวนหาธรรมะเราจาจุดประจําใจประจําบ้านประจําเมืองไม่ทายเถื่อแทงฉวนตะิดสามารถแผลงฤเป็นแพทย์เป็นเศรษฐีได้ช่ยตัวเองแปลวัาธรรมะคอมานั่งก็มาถามป่าจุ๋มาหาธรรมะเรา่องอดไปไม่ที่นี่มาอยู่สองวันหนีไรแล้ว ยาาเนี่ยมาบวชเวันยังไม่ทันได้ทำมาไม่พอหนีแต่ชีดวงเลยไม่จางลาเลยมีบวชละโบนไม่ได้เลยไม่จงเลี้ยงเลยให้มันรู้เองเวลาอยากจะได้บ้านทั้งหลังก็ไปนั่งหลับตาเขาให้ในบ้านเกิดเองนั่งคอยวัตรหนายเสือบมาหาเองเสียใจสำหรับจะหวังบุญชนนี้ขอบาทนำมฐานด้วยนะวบุญหรือถวบทำะเอา ทั้งหไม่เอาชอบให้ฝึกแล้วตากชอบพูดนะจุนเล่าก็หมายจุนน้อยนอน้ยคูกน้อยทำความเพียนมากให้สวงามธรรมะความที่สวยงามบุญก็จุนน้อยจุนเน่ยกภัยปะหลาดเอามาใส่บาตรชอบทำบุญไม่จอมหาธรรมะยกก็พูดมาพูดยาพันท่าความหลังเอาเรืกล่าวมารื่ซื้อหลงเห็นในที่ที่อบไม่ชอบที่ชอบไม่รับ ถ้าอยู่เป็นความฝันแต่เปนบางเดี๋ยวนี้เป็นความจริงไม่ใชอนาคตแน่นอนจลับมั่นธรรมทาจะผิดหวังโยมจะเสียใจตจหาดทีวีถึงลุกหลานนี่เป็นธรรมะไม่ใช่พระสอนอิสลาิธาหนูสอนไตามทีวีไปเฉยไม่ยมนะไปไม่ยอมไปเจ้าขาดธรรมาจะพาไปนิทานไปไม่ไปเจ้าขาดธรรมาว่าไปไม่ได้เจ้าขาดพระบาทจะก็ปก่อเจ้าค c ธอมนุษย์สมบัติมองไม่ได้จะไปเข้ามหาวิทยาลัยดเลก็ไปตามขั้นตอนของธรรมะคนเราเนี่ยไม่ข้ายธรรมะอยากให้ลูกสอบเอ็าบได้อยากให้ลูกสมเด็จหมายยี่ไรแต่ตัวเองพ่อแม่ไม่เอาไหนเลยไม่ได้สความดีกับลูกไม่ทถูกให้กับหลานเลยรักก็ไม่ถวิธีทความไม่อให้ลูกถูกต้องหรือ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 จะไปเยงจุ่งไหนจะไปสวยจุงไหนจะดีจุงไหนด่าอะไรเหลือใจแทนโยมวบุเงินบาบุญเลยอะวาบแนอยตอะไรเลยมต่งิจะดูให้ดูกิจวัดูบ้านเมองดูให้ีาความสะอาดดูายดูที่อาหดูหญิงดูที่มีความอาผู้หญิงมนดูผู้หญิง พุย uh, ุ ai, ่งชื ten, ay, ่นนาตัวคือพุยุ่งอยตามใจตัวพุทายที่นนาตัวือพุทายไม่เกณนใจคนขาดธรรมะเป็นเช่นนี้ขาดธรรมะจึ็นตามใจตัวไม่มีปีเลยพุยุ่งชื่นนั้นดีไม่ได้เชพ่อพุทธายไม่เกณนใจใครเลยดีตรงไหนม่ต้อเกณนใจมนุษย์มนาเกณนใจผู้บังคับบัญชาแม้ทำจะดีตรงไหนไปชื่นนาตัวพี่สดคือชายที่ไม่เกณนใจัว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 คุณยายจะสอบุญคยบวชทีมาต้องสุดีไม่มีธรรมะมีแต่บุญตวโกอเงินเอาหลานมาไปขอเงินลูกหลานมาไปทวบุญเสียใจไม่มีความอุ่นใจให้กับลูกหลานเลยแม่ก็งอยนะไม่ทีนะขอฝากไว้เดี๋ยวนี้มาบวชเปเ็นพ<เ>ระก็บวชเอาบุญไม่ต้องทำอะไรไม่สร้อยหาธรรมะมันนึจะวัดดูให้ดูถึงจะวัด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 ทำอะไรอย่าเทื่อนเผื่ยนผงอชาเที่ยนนะลูกนะมันจะเสียหายนะลูกนะสอนอย่างนี้คือธรร ม, ม, ามาะไม่ใช่ลูกได้ใสรรฆทานที่หนวดหนูตาโน่เลยนะหนูน่าจะทำใครทำบูนใส่ชิ้ น, น, น, น, นสูนสนนนนส๋แต่ก็ฆ่าตัวไม่ได้ขึ้นตัวเองไม่ได้นี่คือไม่มีธรรมะโดยธรร ม, มาชาติขอสาจยาโยมไปคิดแลาเธือทีวีไปสวนหมดมากรรมฐานนะ จองให้กอยอมพยื่นจองให้กอกปวยจะตายไหมจองให้กอป่วยจะตายไหมองให้กอกสอนอยู่อย่างนี้ดัมินเนียนทำบุญเดี๋ยวทำบุญการวัดกันแล้วการโบสถ์ละก็ละแต่ไอสอนที่จะสร้างตัวเองนี่ทันมาโดยสอนนะน่าจะให้ลึกถืปฏิบัติธรรมะว่าจะยังไรแน่หรือว่าดีได้ยงไรแล้วลูก่าจะเป็นาะในละพี่น้องส ไม่จำต้องกลา้ายกคนเกศถอือถึงจะมีธรรมะไ อ, เอะ้เกศถือเดี๋ยวนี้ไม่มีธรรมะมีแต่บุญไอ้เกศถอือแต่คนยากจนเงินแพงเขามีธรรมะลูกไม่ลดละภาวานาลูกเป็นดอกเปอลูกเป็นเกถือก็ามาพ่อจนแา่จนเงินเอ่ไม่จนธรรมะไม่จนน้ําใจลูกเป็นใหญ่เป็นเตอ ม, มากมายแต่เมื่อหลังสู้คว้าเอาหน้าเอดยืนหาทินให้ลุกมาลูกเอื้อเปนดอกเปรอะ ูเลี้ยเป็นใหญ่เป็นตอแฉะสืบนานาโคตได้นี่คือเครธรรมะไม่ใช่เจ็บุญนี่จะมาบวชเอาบุญอีกแล้วบอกไปบวชที่วัดอื่นวัดนี้เขาไม่ปอมบวชเอาบุญก็บวชสร้างธรรมะสร้างตัวสร้างตนให้มีบุญหลักนะตัวสอนสอนสอนอันนี้สงจะได้ได้มีการบวชประโยชน์ในการบวชอย่างนั้นไม่ใช่เบื่อคืนวันนัดในกองทัพคือเจ้าวาดใองกวาดแลวกูดีถ้าไม่รักลูก สามวันเจ็ดเด็วันศุกร์ายบาไปเลยือดระดูที่จิตจ้าวาดนะันีจิตเจานเชิะคจสอนต่ยันูนเหลืงือดเหือแรงานนนอนแเป็นระไม่ใช่แน่นอนิดหวังอย่าทิพลงเบื่อสใจด้้าได้บาปเราจารของเราเป็นจาระันะที่าจาเรียนจมาหาอเรียนาาเรียนนะ เราจึงต้ อ, าาองประโยชนจ๋าขาเดียวในคาเรียนถึงคิ่าจาขาได้จบใบเพศวิทยาการแต่ท่านยังไม่ได้วิาชาค้นทุกวิชาแก้ปัญหาคือธรรมะการเป็นออกบรรพชาบวชในกาสนาของท่านแต่แหวงหาโมกรธรรมมาสอนชาวโลกไอ้พ้นทุกเพื่อแก้ปัญหาคือตัวธรรมะบุ ญ, ญาาแก้ปัหาม่หลับแร้งธรรมะธรรมะแก้ปัญหาได้ถึงจงมีความสักคือบุญวัฒนา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 ปฏิสังขารโยตปฏิสังขายยาปังไม่ได้บวชุบวมนไม่ได้บวชละบุญโภชนาบัไม่ได้บวุีสนให้่อม่ไม่ได้บวะุหลายวัดคือเขาบวชกาเสียใจแทนกลับพุทธจายอะเกินแล้วพุจายสอนให้เพิ่มเติให้ตเสอนเให้ได้ธรรมะ่มเตไม่ได้ไม่ได้สอนเไม่ได้ ก็ไปเหยดมนุษย์บริโภคลยลอยไปลอยมามืนงมาลายหาที่แขวนมาได้ก็ลอยไปอยมาแล้วอตพองมาลายไม่ตพองมาลายงมาลายเอ๋จะลอยไปไหนล่ะไม่มีที่แขวนเจ้าค่ะกาวก็ไม่มีที่เกาะก็ไม่มีที่เกิดโซเเกาะให้ลึกไม่ได้คือจิตธรรมะท่านผู้อฏิบัติทำทั้งหลายไม่เดือดรามาหานะ่ยไม่เดวอดร้ษยาเดือดรามาไหนใครมีบนไม้ยินดีก็รับที่ดิน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 มน่าจะใคแย้งธรรมะเอามาใส่ใจเราแล้วไปช่วยลูกหลานให้ลูกได้ดูมือปัญญาน่าจะทักษนาชมไหมยอมขอถามด้วยความกิงใจทุกคนมือโลกใม้เอาไหนเนี่ยติดของขาวยาจะติดไปย่าแห้ดูไหมดูเจ้าค่ะดู้าค่ะโลกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไปไม่ลามาไม่ไหวเสียงพ่อเสียงแม่ดูไหมก็ค่ะดู้าค่ะขออันเนื้ ไนส่วนผู้มีบุญแบบนั้นแต่ผู้มือวาจหนาในธรรมะเขาจะสอนลูกโดยดีมากตรวจมลในลูกนะหลันอนแต่เดี๋ยวนี้ลูกพ่อแม่ที่แยงบุญตรวจมลไม่เต็มล้ับาถึงก็มาด่าพิธีกงก็มาด่พิธีกรรมก็มาดาาวนะพิธีก็ไม่รู้เรือเลยจะเชื่อลูกได้อย่างไรแล้วคุณแม่จ๋าแม่แบบแแผงแม่เป็ไหนเ็นตอย่างของลูกได้นี่คือใธรรมะ แบบและแผนแม่แปลนมาแผนผังแะคือจตธรรมะมันทาให้โลกลกความเชื่อและพื้นดีเหมือนแม่แบบแม่แผนเชื้อชาตแม่บ้านกาเลื้ยงใช่หรือไม่ทาให้สามมือพ่อบ้านตระโตกล้นใจเตืนใจแม่สามมือเป็นเลี้ยงทานโลกละคุณแม่จังนะเราก็เนี่กว่าเขาเรียกแม่จะแค่มือของเขาเมียคือแม่แบบแม่คือวมแม่ใาญแม่เลือนแม่เฉอเชียนให้ลูกอิ่น พอ่อตาสามมือจึงเรียกแม่เหมือนานางฤาสาขามาหาอุบาสิกาเป็นลูกชายพ่อผัวแม่ผัวเรียกแม่มนะแม่วิษาขาเอ๋ยม า, า, าตาปิเวลาแม่ของลูกที่ดีแลว้วสามมือก็เรียกภรรยาวิสาขาว่ามาตาเป็นแม่ของลูกที่ดีเรียกแม่ฝ่ายแม่ก็ให้เกียบสามมือว่าคุณพ่อ เลืกหัวเป็นพ่อเหลียงนี้มีอยู่มากคือคนบ้านธรรมะบ้านชื่อในคลเปน้น้อในบ้านนั้นบ้านนั้นเป็นมงคลเลือกหัวเป็นพ่อเลือกเมียเป็นแม่โลกมือทุกคนแล้วเสียงบ้านธรรมะบ้านมงคลชื่อบางบ้านเป็นอัปมาโมคลัมีอภรยาพะละกันสยามบุญโลกดีไม่ได้เลยว่ามือทาพาวยใช่คำหยาบต่อัยา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 ถึงจะหมดบุญญาสิ้นพ่อแม่ไปเสียอยู่คนเดียวเออตายชายทะเลตายจะยืนเสียงธรรมะมันอกแตกเคอยู่วัดยืนยาเธออกมันจะแตกวาเื่ธรรมะให้กเ็กูจะกดหัวนั่นคือนยักษ์จะยืนเสียงธรรมะอกแตกคนที่มีหนปัญญาได้ยินธรรมะสมบูรณ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 ท่านจะได้ลูกแก่ล c กหวานประจําสุขประจําใจประจําบ้านประจําเมืองิท่านบ้านนั้นจลึกนทเหลายฟังและคิดในวันธรรมอย่ามาแุกเลยเอามะให้เป็นบุญบ้านท่านจอุ่นใจมือชีธรรมะถึงจะเป็นบุญถึงจะเป็นกถึงจะเป็นผลงานในชีวิตท่านเอง อฝากผู้ปฏิบัติกรมาถานที่มาสวรหานี่มาสวหาทั้นันง่าจะบุญฝากค่โสมานั่งกรมาถานลอยหน้าลอยตาแล้วเป็นบุญกลับไปไม่ใช่เหรอกระบานะไม่มีะตกคิดทำมากแล้วสติคิดลวกเลิกดำเนินงานลวกเลกและลก็ตรงนประกอบการจะเรียกว่าทำมะเป็นการประจัญบ้านของท่านบ้านบ้านท่านกระท่จะเป็นบ ah ้านตึมาลายบ้านใหญ่โตมันวั แต่เดิมเหยีอนให้ลูกท่านลยยืนเป็นกในนาก็จะการถ้า่ารต่อการไม่ต่อการให้ลูกนี้วามโชกไม่เป็นไรนะต่อการไม่ลูกท่านติดโงเขาลแหงกเท้าไม่อยากตายก็พอไม่ดีทะเลาะการให้ลูกไปยืนถอนดาบกาทะเลาะกันให้ลูกไปยืนทยาทายของอทำประนามของแม่ลูกจะเสียหายอย่างหน้าเสียดายตมาเป็นหัวนาคนเดกเป็นขวานเด็ก แต่โยมอยากให้สว si ่งบุญอย่างนั้นสวงอาธรรมมากอาจารย์คุณโมมั่งเลยไมองเสียเเอะรมากในทางไปหาพระหลังหาได้ไหนมีอมือแม่อาใจใส่พ่อแม่อดอุยาปาแหเนื้พ่อแม่ก็ดยาาแค่พาไปหาพระล้ว่อนหาพระแบบนี้จะพจาจณาสอนพ่อแม่เป็นการหลังหันของลูกจะพิจารณาสอนพ่อแม่เป็นการปฏิบัตของลูก อวาที่จะจะสอาหลับอ้อมม่เป็นทันของลูกชายหรือแม่เราจะกหาพระที่ไหนล้ยดูกว่าพ่อแม่เราบางทพ่อแม่กำลังเสดอยู่เนี่ยจะตายแล้วเนี่ยบางเสกจะหาพระรับเทวดารับนู้ไปหาพรหลานพึ่นพ่อพึ่แม่ดูอย่ห้องแห้งแห้งเ่อยสบาว่ายังไงไปพูดมาไปยื้ไปเข้าใจเข้าใจขอาก้วยความซึ้งใจและตริงใจ จากว่าหยใจดำในใจดีมือปัญญาคนใจดำมันก็ไปโลกหนึ่งคนใจดีมือปัญญาใจดำมันหยุดในที่โมทารุนดูร้ายฆ่ากวาดเจลิดจนทรตายหัวเหนียก็ขาดนะความด้วใจดีมือปัญญาจะมี่จมเมาตาไม่จมเมาตาจะชนะความรักมือละเลือรักษากนไปสังตายอย่าลอรุ่งตะคุ้ความกะเลยอมใจยอม อย่าชุ่มลูกชุ่งผัวชุ่มเมียเลยอย่าชุ่มตามไหนได้ก่อนั้นคือเอาดีให้ได้พาไปไปชุ่มเลยงไ้ไหมอย่าลักล่อลืมไปชุ่มค้ามละยาวทางเลยโหลดลเอกล้อลืมละักลากรช่วยเหลือกันนักนิดาหน่อยให้ไทยการนี่มักวิจัยพนาเป็นอย่างนี้ธไมจะมาน้าาวันคือกะสอไม่ยาไม่ขึ้นนะยาของไปมดสวัสเสียใจจะถอนไปบ้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 อ้จงรื่อมาบวกหานก็ดูสาามมาด้สึกอยาขึ้นอยพ่อหนุด่วยโทรจะยอมตั้งการลูกเขาเป็นยังนั้นก็ไม่เป็นไรทตน า, าก็เสียใจแทนโยมเป็นแม่เป็นพ่อครับเป็นนาที่ได้พอถือ 11, 11, เจดแม่ถือเก็ดอาจารย์ใหญ่ลูกเกิดยาเกิดสิดสามคนหมดบ้าและถือข้าใช่นะมีความหมายอยู่นิดหน้อยเป็นนาที่ไดม า, ากการเจริญวิปัสสนากรร ม, มาฐานให้เกิดปัญญา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 งานก็เจรินเดินเรื่องนี้งานเดินเงินก็ตางานชักโครก็ดีเป็นข้อสุดท้ายม่เงินมือทองที่้องมากมายใจกอต้องานชักครมือหน้ามือตาใช่ไหมถ้าไม่มีเงินงานจักโคมไม่ดีไปไหนก็ไม่มีมองน้ะไม่มีใครก็มองหน้าวายซึนเืยไม่นี่คือชัวร์ทำมะฟังแล้วไปชิดเอาเท้าใครตากันบาจะมีประโยชน์หลือเกิน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 แต่ประการใดลูกชายก็ดีลูกสาวก็ดีลูกหน่งลูกหวานลูกเงินคนบ้านแล้วก็จะไป็ลูกที่ดีที่จ้างบานเลือยงให้เจริญประมาจได้และราชินีแมกและพระแม่เจ้าคือถ้าคือจใจมาสนเด็กพ่อแม่นะต้องสร้างบานเลี้ยงให้ยุ่งยิ่งสุดกนะต้องสร้างข้าพยินใหญ่มาลูกนะเตินใจม่เตใจมาก มเหตหลายเสลูกอาหวเือไม่วายทอนแม่ลูกได้าพจาพอดุเหวินพระลักษดีดามาได้ดมากราที่ชายสาเหตุที่การสนามแยกตามมาเห็นเวลาทุ่มฤกษ์ทังโอรสาที่ราชประเทศพรนางลัธิดาพระธิตาแอจุุลาทองเวียนเข้าไปปราทที่ชายเป็นภาพที่ซึ่งใสงรางสนามแยกกลางถนนสามารถจะปราทพระลักษณ์ดีดามได้สามเหต แเ้วจะลูกใครวายหัวพ่าแม่พอมาเข้าไปเอาไหนยกมือกลับดืกัลูกโลวขึ้นขนาดนี้ดูเลิพ่อแม่ยังไงเจ้าพ่าจะพยินก็กลาพ่าแม่เ็าสามหนใช่หรืมไม่หลงจากขึ้นบึงเพราเจะดีดามานได้เรามาวุ้นโร่เข้าไปลราที่ชายผันทีเป็นผ้าที่สุนใจแค่แต่หมามา่ลูกเจ้าพจะพยินก็กลาพ่แม่สามหน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 คนของเขาไม่ดีอยู่ก็มารักษาของขาคนจะพาไปหาคนรักษาไม่มีไปกล้ามาถวายให้หมาชื่อวัดแล้วทีวหมาจชื่อรก็ม่รู้ถ้มาถวายก็ลงทุนลงแรงมาไม่รักษาให้ขาดแถไม่ไม่ใครของเขาไม่ดีมีเงินเงินสองเดือนนั่งเขาแตกหมดเห่วยของมาถวาย o n เวียนไม่กระจายคนใช้มาดีคนอยู่รักษาของมาดีคนไม่อยู่ในรักษาของเขาถูก จะพาพอหาคุณาไม่มีไปส้างไว้มาโยนไปฉลมบุญต่อไปขอนมโทนาสาธุการเฉียบุญมาทุ่สนส่วนนี้จะไปท้าความหลังทั้งจกคุณทำมาเทียร่ามาโชลกข้าพโยเป็นเลานานชยสดใช้ไมาจาได้ทึ้งมดจะไปเท้าความหลังที่ยราเคอยู่มาได้ของมจะตั้งแต่เชื่อ่ายมาจะไปสถานคือลัไม่าได้ยังไงโลกอดทนกันจึงหนบ้าง แลจะแก้ปัญหาย่งไรนี่คือธรรมะแก้ปัญหาได้บุญอย่างจะแก้ปัญหาชีวิตได้ตอ่ไานโมจะมีความสุขความเจริญถ้ามีลกมดูโยมจะเสียใจจะ้องไหนะมไม่อบกนาสอนทั้งชีวิติสรไม่ไม่มาุกข์แต่การี้เยอเเืองไปมาเขาสนใจกมาเขเตรีใครสายมาถวายไม่ังซื้อส่งไปด่านข้ามหากอบไปเลี้ยงด คือฮัยากจนไม่มีข่าจะพินงมาโรงเรียนองคนี้ช่วยการธนาคารนะช่วยน้าประชาชนคือน้มันจะไม่มีจะพินนะช่วยโรงเรียนไม่มีงาำชายน้ำฉ่อยเราจะได้ช่วยหนุน้ใจตายตในสัมภาระเจะได้มีการช่วช่วยกันด้วยธรรมะช่วยกันด้วยเหตุถลช่วยกันได้สร้างปุชนเลื่อนกานเมดปลาปลาในยาดีเรือขาดเรือพายุกานเทิดเกษตรชน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 จะไมู่กพยาบาทจตท่านผู้ใดคือเมตตามีตัวเดียวคือธรรมะจะไม่สังใจโกใคและปพยาบาทใครต่อไปเป็นอโหติดรำคือตัวเมตตาเนอาโหติรได้ตอนที่ไม่มีเมตตาขาดจะบ้างมดแหละโยนจาโหติรรมให้ใครม่ได้จะข้าไปเวินจำต่อไปขอความสด้วยธรรมะขอความเจริญรื่องเรืองวัฒนาศราพรด้วยการแก้ปัญหาในธรรมะขอท่านจงเจริญ